บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปคำกราบทูลของท่านโมข ร, ราชที่กราวยอมรับและสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนอกจากจะใช้คำว่าจักคูมาที่ทรงมีจักสุแล้วยังมีคำหนึ่งที่ท่านใช้ คือเป็นเทพฤษีที่ท่งกล่าวว่าโรงเป็นเทพฤษีเมื่อมีคนมากราบทูลถามปัญหาจะห้ามไม่ให้ถามก็ไม่เกินสามครั้งคำว่าเทพฤษีนั้นท่านอธิบายว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เสด็จออกประนวดกษัตริย์ได้ชื่อว่าเป็นเทพ พวกหนึ่งที่เรียกว่าสมมติเทพคือเป็นเทพโดยสมมติเพราะงัน้นพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นเทพปรษีแต่คำว่าฤรุีหมายถึงผู้แสวงหาคนา้นคว้าคุณอันพิเศษกว่าสูงกว่าที่ตนกระลังมีอยู่เป็นอยู่ในขณะนั้ น, น, น คุณลักษณะเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงธรรมะที่อาศัยรูปธรรมคือองค์พระพุทธเจ้าเป็นตัวแสดงซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถที่จะนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติได้เช่นเดียวกันคำว่าเทพในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นตันยอมรับเทพเทพเทพสามสถานะ สถานะแรกเรียกว่าอุปติเทพคือเป็นเทพโดยกำเนิดแต่ก็เกิดเป็นเทพประบุเทพธิดาในสวรรค์ชั้นต่างๆตลอดถึงเป็นพรหมในพรหมโลกเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากบุญกุศลที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้มากน้อยแตกต่างกันมีการจำแนกแสดงเทพด้วยความประนีตด้วยความสุขที่แตกต่างกัน แต่ตัวการที่จำแนกจริงๆก็อยู่ที่กรรมซึ่งบุคคลเหล่านั้นกระทำไว้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าการย่อมจำแนกแบ่งแยกคนให้เลวและประณีตแตกต่างกันประการที่สองเรียกว่าสมมติเทพคือเป็นเทพโดยสมมติเป็นการยอมรับนับถือยกย่องขึ้นของบุคคลในสมาคมนั้นๆ ได้แก่พวกพระราชาหม า, หากษัตริย์ในบ้านในเมืองต่างๆเทพในลักษณะนี้ไม่สาธารณะทั่วไปแก่ในที่อื่นคือบ้านเมืองที่เขายอมรับว่าเป็นกษัตริย์ก็ จ, จะเป็นกษัตริย์แต่ไปถึงบ้านเมืองที่เขาไม่ยอมรับหรือในช่วงโอกาสที่เขาไม่ยอมรับก็กลายเป็นคนปกติธรรมดาแต่เหล่านี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นด้วยบุญกุศลเช่นเดียวกันที่เป็นเหตุให้บังเกิดในตะกุลสูงได้ฐานะจากสังคม สองประการนั้นจึงเป็นเรื่องของอดีตกรรมที่บุคคลได้ประพฤติกระทำเอาไว้เทพประการที่สามเรียกว่าวิสุทธิเทพคือเทพโดยความบริสุทธิ์เป็นผลต่อเนื่องกันทั้งของกรรมในอดีตที่เราเรียกว่าบารมีและกรรมในปัจจุบันที่ท่านใช้คำว่าประโยชนคือความเพียนพยามของบุคคลเล่านันฝึกปลื้อบรม ตนเองจนมีความสงบประณีตขึ้นไปโดยลาดับจุดสูงสุดในความเป็นเทพนั้นกําหนดที่พระอระหันต์เพราะพระอระหันต์ท่านถึงความบริสุทธิ์หมดจดจ่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนกับการขึ้นบันไดบุคคลก็ค่อยๆก้าวเดินไปโดยลาดับและสูงขึ้นไปโดยลําดับ ลักษณะของธรรมะเป็นสันเหลกรรมคือเครื่องขัดเกลวจิตใจของบุคคลให้มีความรงงประนีตสงบขึ้นไปเรื่อยๆตามกําลังความสามารถของบุคคลเหล่านั้นในการขัดเกลวนั้นแม้จะเน้นไปที่จิตใจเป็นหลักเพราะบุคคลแต่ละคนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าใจเป็นทูต ก, กาหนดพฤติกรรมทั้งหลายที่แสดงออกมาทั้งทางกายและทางวาจาของบุคคล เมื่อใจได้มีความประนีตขึ้นการแสดงออกทางกายทางวาจาของบุคคลก็จะประนีตตามขึ้นไปดังนั้นในขอบขายของเทพในกลุ่มของวิสุทธิเทพนี่เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงธรรมะในระดับที่ลดหลั่นกันขึ้นไปเช่นในชุดหนึ่งทรงสแสดงธรรมะไว้หประการเรียกว่าเป็นธรรมะที่ทําให้คนเป็นเทพ ด้วยชีวิตร่างกายในรูปร่างหน้าตาที่เป็นมนุษย์นี่เองแต่ว่าจิตใจเป็นเทพการแสดงออกทางกายทางวา จ, จาเป็นเทพโดยเน้นไปที่ศรัทธาสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยศรัทธาหมายถึงความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแม้จะมีปัจจัยต่างๆจากภายนอกมากระทบกระแทกก็ไม่เกิดความหวั่นไหวขึ้นภายในใจ และศรัทธาที่ถือว่าเป็นฐานสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนก็คือศรัทธาที่เชื่อมั่นในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่สุดยกย่องสรรเสริญกันนั่นเองแต่ต้องเป็นศรัทธาที่มั่นคงจริงๆไม่ถูกให้ไม่ถูกโยกคลอนให้หวั่นไหวไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึงอาจจะสรุปรวมที่ ศรัทธาในพระคุณทั้งสาประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหาคุณาคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อเชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงประกอบด้วยปัญญารู้ยิ่งเห็นจริงอย่างแท้จริงความศรัทธาเชื่อมัน่นในกรณีนี้จะทําให้บุคคลสามารถดํารงความศรัทธาของตนไว้ได้แม้บางเรื่อง ตนไม่สามารถจะวินิจฉัยตัดสินถึงความถูกความผิดได้ประพื้นฐานทางสติปัญญามีไม่มากพอกว่าสายศรัทธาคือความเชื่อว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ยอย่างนี้แต่ส่วนหนึ่งตนก็สามารถจะพิสูจน์ทดสอบได้ก็จะเป็นเรื่องที่ตนสัมผัสได้ด้วยใจของตัวเองช่วยให้ศรัทธาของบุคคลนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น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 สถาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของไตรสิกขาคือหลักศีลสมาธิปัญญาแม้จะจำแนกออกไปเป็นสี่ช่วงด้วยกันแต่ฐานสำคัญจริงๆก็คงอยู่ที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระาะวพะธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เล่าก็เป็นผู้ศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไตรสิกขาก็คือหลักคำสอนที่ เน้นให้บุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติคือเมื่อกล่าวสรุปแล้วก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาถ้าบุคคลศรัทธาเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าได้ตะทาอีกสประการก็มั่นคงติดตามมาข้อที่2เรียกว่าศีลสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยศีลความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นเป็นการสมบูรณ์ตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลในด้านชั้นของศีล ก็จะมีความประนีตขึ้นไปโดยดัมดับเช่นภาษาทุชนทั่วไปสมาทานศีห้าก็มีความสมบูรณ์ในระดับของศีห้าและในตัวศีห้าเองนั้นเองจะมีความประนีตขึ้นไปจนกลายเป็นธรรมะที่ยึดครองใจมีธรรมะเป็นหลักใจพราะในเชิงของการประพฤติปฏิบัตินั้นการละเมิดศีลจะออกมาทางกายกับทางวาจา แต่ศีล ท, ทั่วไปจะต้องมีเจตนาคือความจงใจเข้ามาประกอบเสมอไปเป็นไว้แต่ศีลที่ประณีตศีลที่ประณีตบางครั้งนั้นแม้จะไม่มีเจตนาก็ต้องจะต้องอบัตเหมือนกันหรือถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันแต่ระดับศีลห้าศีล8จะต้องอาศัยเจตนาคือความจงใจที่จะละเมิดจึงจะถือว่าเป็นการขาดศีลดังนั้นเมื่อการผิดศีลออกมาได้ทั้งทางกายทั้งทางวาจา จึงจำแนกการปฏิบัติเอาไว้ถึงสี่ช่วงด้วยกันจึงจะเรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์นั้นก็คือไม่กระทำความผิดด้วยตัวเองเช่นไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตัวเองและไม่สั่งให้คนอื่นฆ่าด้วยวาจาหรือลายลักษณอักษรหรือด้วยสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นโดวยวิธีต่างๆ จะถึงจิตใจไม่มีความชื่นชมยินดีในการฆ่าทุกรูปแบบยกเว้นแต่การฆ่ากิเลสด น, นหลักของพระพุทธศาสนานั้นไม่สันเสรินการฆ่าอะไรทั้งหมดเว้นไวแต่การฆ่ากิเลสบางครั้งแม้จะมีพระพุทธภาสิทธิ์ในลักษณะที่ชวนให้คิดโดยประการต่างๆจนรับสั่งแก่พิสูุ์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิกูน์ทั้งหลายเจอจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ เป็นเพียงพระพุทธธำรัตที่สอนให้คิดพระต้นไม้นั้นที่จริงให้ความร่มรื่นแม้บางแข่งจะรกชัดเป็นดงทึบดงดิบอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปตัดแต่การอาศัยความรกชัดของป่าไม้นั่นเองเป็นอุปกรณ์สอนให้เห็นว่าคนเดินไปในป่าไม้ที่รกชัดจะมีอุปสรรคขัดขวางและเดินไปด้วยความล่าช้าอึดอัด แต่แท้จริงแล้วจิตใจของบุคคล น, นั้นมีความรกชัดมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นรกชัดด้วยอำนาจกิเลส ท, ที่มีชื่อต่างๆมีลักษณะต่างๆมีอาการต่างๆอย่างบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างผลป่าที่ควรจะตัดแทนที่จะเป็นต้นไม้ก็ควรจะตัดป่าคือกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจเป็นโมหารทที่ส่งเน้นให้เห็นว่าสิ่งภายนอกนั้นไม่ควรฆ่าไม่ควรทำลาย แต่ถ้าจะฆ่าจะทำลายก็ต้องฆ่าทำลายสิ่งที่อยู่ภายในก็คือกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในขณะปัจจุบันขณะต่อไปและในสัมภาระาจะพบภายภาคหน้าสืบพบสืบชาติต่ตอไปเพราะในชั้นของความคิดเมื่อถึงการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปแม้แต่ความคิดชื่นชมยินดีในการฆ่าการรักทรัพย์เป็นต้นก็ถือว่าศีลของบุคคลนั้นเสร้าหมองไป ลักษณะของศีลและสัมปท า, าคือความสมบูรณ์โดยศีลบางครั้งก็ทรงแสดงลักษณะในแนวของการงดเว้นเช่นว่าศีลของบุคคลจะต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นการรักษาอย่างอิสระคือมองเห็นคุณค่าความดีของศีลและรักษาไม่รักษาในลักษณะที่คนเลี้ยงโคไปรักษาโคเพื่อต้องการค่าจังการรักษาศีลบางอย่างบางระดับเป็นการรักษาเพื่อผลประโยชน์ อย่งใดอย่างหนึ่งที่ตนจะได้จากการรักษาศีลการรักษาในชั้นนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลอะไรแต่มีผลไม่เต็มที่เพราะาจิตใจยังเกี่ยวเกาะอยู่กับปัจจัยภายนอกการรักษาที่ดีจะต้องอาศัยความสํานึกเห็นคุณค่าของศีลในรักษารักษาอย่างเป็นอิสระอย่างเป็นไทยแก่ตัวเองไม่รักษาโดยอํานาจของมานะ เพื่อจะยกตนข่มคนอื่นด้วยอำนาจของตันหาเพื่ออยากได้เป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นแต่รักษาเพื่อจิตใจโน้มน้อมเข้าหาความสงบคือสมาธิโดยลำดับอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสีละสัมปท า, านใะนชั้นนั้นๆการต่อไปก็ทรงแสดงถึงสุตะคือการศึกษาการสลับสับฟังถึงซือว่าพระพุทธศาสนาได้เน้น จุดสูงสุดของชีวิตว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐแต่ขั้นตอนของการเกิดปัญญานั้นก็มีหลายขั้นตอนด้วยกันเกิดจากการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสคือตาดูหูฟังเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การศึกษ า, า ก, การต่อไปเป็นการศึกษาในแนวนาสิ่งซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสไปพินิษ์พิจารณา จนถึงลงมือประพฤติปฏิบัติดังนั้นปัญญาเริ่มต้นก็คือการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสส่งสอนให้บุคคลประกอบด้วยสุตตะคือการศึกษามากจำทรงเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากและสามารถนำเรื่องเหล่านั้นไปเพ่งปินิพพิจารณาจนอาจจะแยกแยะสิ่งต่างๆออกไปได้ตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งครนี้จะเห็นได้ว่า สิ่งทั้งหลายเมื่อนำไปแยกออกไปก็จะมีเป็นสามประเภทโดยสภาวะของธรรมอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าทำเป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขทำที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์และทำที่เป็นกลางกลางให้ผลก็เป็นกลางกางแต่อาจจะทุกข์หรือสุขได้เพราะถูกปรุงด้วยกุศลหรืออกุศลธรรมะแม้จะพูดจาแนกอย่างไร แต่เมื่อสรุปแล้วก็จะเป็นสาประเภทเมื่อบุคคลแยกได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจนสามารถงดเว้นละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีนี่ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการนำมาพินิษฐพิจารณาแต่ความรู้ความเข้าใจในชั้นนี้บางทีก็เกิดด้วยการฟังที่กำหนดตามระลึกตามไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา แต่ถ้าถึงกับดำไปพินิษพิจารณาสอด ส, สองสิ่งเหล่านั้นด้วยใจของตนจนสามารถมองเห็นความเป็นหนึ่งกันเดียวกันความคล้ายคลึงกันการทรงกันข้ามของสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นได้ความเข้าใจในธรรมะก็จะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นแม้จะมีการจําแนกแสดงออกไปโดยวิจิตพิสดานแต่สามารถขยายได้และย่อดได้ เพราะต่าก็ขยายออกไปก็กลายเป็นธรรมะอนเนกกันนั้นแต่ถ้าเมื่อย่อดโดยสรุปก็จะกลายเป็นธรรมะสามกลุ่มดังที่กล่าวไปแล้วข้อนี้ในหลักพระพุทธศาสนานั้นแสดงทั้งแนวขยายและทั้งแนวยอ่อในแนวขยายจะยกตัวอย่างว่าขยายกิเลสออกไปถึงพัน0รแต่เมื่อย่อลงไปแล้วก็อาจจะเหลือหนึ่งคือวิชาเท่านั้นเองหรืออา จ, จะเหลือสามคือโลกโกรธโงงเป็นต้น นี้เป็นการมองได้ทั้งสองทั้งสองทางคือทางขยายและทางย่อเพราะว่าการมองโลกมองชีวิตของบุคคลนั้นจะเป็นการมองในสองแนวคือมองรวบแล้วก็มองแยกดังนั้นเวลาศึกษาธรรมะก็ต้องศึกษาได้ทั้งแนวรวบและก็แนวแยกเพื่อเกิดความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นโดยตองแท้ประการต่อไปก็คือเรื่องของจากฆะที่เรียกว่าความเสียสละ จากค่าในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัตินั้นถึงสังเกตว่าทรงใช้คำเป็นคำเดียวแต่ว่าในการปฏิบัติจะมีความประนีตขึ้นไปโดยดําดับในชั้นแรกเป็นเรื่องของการสละวัตถุสิ่งของเพื่อเป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์แก่บุคคลอื่นตามกำลังความสามารถของตนที่จะกระทำได้ ในยัต่อไปจะออกเป็นรูปของทานที่มีความประนีตโดยเหตุด้วยผลมากยิ่งขึ้นมีการใคร้ควรพินิจพิจารณาถึงผลได้ผลเสียที่ตนจะได้จากการกระทําเหล่านั้นและวจึงลงมือกระทำเพราะหลักการของพระพุทธศาสนานั้นจะทําอะไรก็ตามบุคคลจะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเสียก่อนอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าการใคร้ควรก่อนแล้วจึงให้เป็นการกระทําที่ประตะะพระสุคตเจ้าสรรเสริญแล้วจนถึงกับ เป็นการสละละวางความยึดถือในด้านต่างๆถึงตามปกติแล้วเวลาบุคคลตั้งใจจะกระทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความดีจะมีความรู้สึกเป็นนั้นมากเกิดขึ้นมาขัดขวางไม่ให้บุคคลสามารถกระทําได้และความรู้สึกในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิศัตว์ ซึ่งตอนนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะมองเห็นว่าตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสินพระไทยเสด็จออกผนวดในขณะที่กําลังจะออกผนวดนั้นก็มีพญามารมาขัดขวางบอกว่าสิทธะาาจะออกไปบวชเตยอีกเจวันท่านจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแล้วจะมีครองราชสมบัติในชุมพูตวีปมีหมาสมุทรสาครทั้งสี่เป็นขอบเขตเนื้อกษัตริย์ทั้งหลายก็เป็นการยั่วยวนให้เกิดความเคริบเคริ้มหลงไหลในความยิ่งใหญ่ในราชสมบัติดึ่ง มีอนเนกนันท์เช่นนั้นแต่จิตใจของพระโพธิสัตว์ไม่มั่นคงเข้มแข็งจริงก็ต้องย้อนกลับหวนกลับมาและในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติกว่าจะสัตยรู้ได้ก็ต้องเผชิญปัญหาในลักษณะนี้ตลอดแม้ในคืนที่จะสัตยรู้ดันั้นเมื่อมาถึงบุคคลอื่นก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันดังนั้นในกรณีนี้ท่านจึงสอนให้บุคคลวิเคราะห์ความคิดในแต่ละขณะที่เกิดขึ้น มองให้ชัดว่าเป็นมารผู้ล้างผลาญความดีหรือว่าเป็นมิตรที่เกื้อกูลสนับสนุนตนด้วยการแยกแยะนั้นดูคล้ายๆจะง่ายแต่แท้จริงไม่ใช่ง่ายเพราะการปรากฏของมานั้นจะปรากฏในรูปมิตรในเชิงที่เป็นรู ป, ปรธรรมบุคคลสามารถสังเกตเห็นได้เช่นเขาบอกว่าคนปริ้นปรอนพูดหวานคนพาน พูดไพเราะในลักษณะที่เรียกว่าปากหวานคนเปรี้ยวคือหมายความว่าการแสดงออกทางวาจาก็ดีทางกายก็ดีเป็นลักษณะของมิตรที่มีความมุ่งดีปรารถนาดีถ้าบุคคลไปหลงไหลในถ้อยคําในอาการกริยาที่เขาแสดงก็จะเครือบเครื่อนตามไปแล้วก็เสียรู้หรือตกเป็นเครื่องมือเขาก็ได้ ความคิดที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะตัดรอนจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะปรากฏตัวในรูปมิตรไม่ใช่ปรากฏตัวในรูปศัตรูมีลักษณะเอื้ออาทรห่วงใยต่อสุขภาพพลานามัยของเราเป็นต้นถ้าไม่คิดได้ลึกซึ้งรู้สึกว่าถ้าทําตามนั้นได้ก็ดีเหมือนกันรู้สึกสะดวกสบายดีแต่หลังจากตกเป็นเครื่องมือตกอยู่ภายใต้อํานาจของความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นแล้ว การปฏิบัติของบุคคลก็จะตกตามลงไปการสังเกตความคิดตัวนี้ก็สามารถสังเกตได้อยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะบำเพ็ญเพียรทางจิต ท, ที่เกี่ยวกับสมถะกรรมฐา น, น, ฐานถ้าก็สอนได้ใช้ปัญญาสอดส่องถึงลักษณะของความคิดที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆแต่เมื่อวินิจฉัยตัดสินได้ว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อเจตจำนงในการทําความดีของตนแต่ก็ให้เพียนพยายามสลัก ความคิดเหล่านั้นออกไปจากจิตใจจนถึงใบสละกิเลสหรือเครื่องเศราหมองใจที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะออกไปนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของจากคะที่มีปริมาณสูงขึ้นขัดเกลาจิตใจของบุคคลให้ประนีตขึ้นโดยลําดับจนถึงชั้นหนึ่งกลายเป็นวิญญพจน์คือหมายชื่อแทนกันได้ระหว่างนิพพานกับจากคะหรือเป็นความหมายอย่างเดียวกัน หมายถึงการสละตันหาออกไปจากจิตใจยอย่างสิทธเชิงการต่อไปเป็นเรื่องของปัญญาที่แปลวความรอบรู้ในเชิงของการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงเรื่องของศรัทธาไว้ในที่ใดก็ตามก็จะต้องแสดงปัญญาไว้ในที่นั้นด้วยท้านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าศรัทธานั้นแม้จะเป็นกุศลธรรมแต่ก็มีความเสี่ยง ในการปฏิบัติพระศรัทธามีลักษณะคล้ายๆกับราคะจะมีความกับหนัดติดแต่ราคะจะมีความกับหนัดเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นศรัทธาจะเชื่อมั่นหมกปุ่นอยู่ในสิ่งดหลนั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วจะไม่มีเหตุผลคล้ายๆกันดังนั้นศรัทธาในวัตถุใดก็ตามจะต้องผ่านการใช้ปัญญากลั่นกรองพินิษฐ์วิจารณาให้ได้โดยท่องแท้เสียก่อน และจึงจะเกิดศรัทธาในบุคคลเหล่านั้นการมองปัญหาเหล่านี้บางครั้งก็เป็นการมองในแนวเชียบเคียงคือมองในมุมกลับอย่างท่านเมญตะกะเศรษฐีทราบข่าวการเสด็จมาสู่พัทยนครของพระพุทธเจ้าก็ไปเฝ้าพวกดรจีก็มาขัดขวางกลัวว่าท่านเมญตะกะเศรษฐีไปนับถือพระพุทธเจ้าแล้วตัวเองจะเสื่อมจากลาภสักการะที่เคยได้รับจากท่านเมญตะกะเศรษฐี ก็ไปบอกท่านเมนตะกะเศรษฐีว่าจะไปเฝ้าปะสมานโคดมทําไมปะสมณโค ด, ดมท่านเป็นอคริยาวาดคือกล่าวการไม่กระทําแต่ท่านเป็นกิริยาวาดคือกล่าวการกระทํามีวาทะไม่เหมือนกันมีความคิดเหตุไม่เหมือนกันท่านไม่ควรไปเฝ้าก็จะถูกปะสมานโคดมชักชวนให้ไปในทางเสื่อมได้ท่านเมนตะกะเศรษฐีอาศัยถ้อยคําของพวกอัญญะเดลทีเหล่านั้น ทำให้ท่านมองกลับไปบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องสัสรู้แน่นอนพระพวิเดชีเหล่านี้แสดงความริษยาให้ปรากฏจนถึงมาบอกกล่าวมาบิดเบือนมาใส่ร้ายให้ท่านฟังทาให้ท่านเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในการที่จะไปภาพพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นนี่จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้ปัญญามองสะท้อนไปจากภาพปรากฏไปหาอีกปุ่มหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏทําให้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นมาได้ ปัญญานั้นจึงเป็นเรื่องต้องใช้ในกรณีทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการเริ่มต้นของการศึกษาการปฏิบัติธรรมะแมรพระพุทธศาสนาจะสอนเรื่องของศรัทธาเอาไว้แต่ก็เน้นปัญญาในฐานะนั้นๆและ้จะปลุกฝังความพอใจในเรื่องอะไรว่าควรจะพอใจหรือไม่พอใจก็ต้องผ่านปัญญาสก่อน ส่วนจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของปัญญาที่บุคคลเก็บสั่งสมรมไว้ว่ามีมากหรือน้อยแต่การใดก็ตามที่ไม่ได้ใช้ปัญญาสอดส่องพิจารณาการนั้นโอกาสที่จะพลั้งพลาดสูญเสียหรือเดือดอร้อนเกิดขึ้นได้ง่ายปัญญาในชั้นนี้โดยทั่วไปก็คือการรู้จักยแยกแหนกแบ่งแยกสิ่งต่างๆให้ชัดเจนตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆ ตัวการที่จะต้องแยกมากก็คือว่าสิ่งที่เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ดีหรือชั่วแต่เมื่อปริมาณของปัญญาสูงขึ้นก็ะจะพบว่าแม้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อมาถึงมือของผู้มีปัญญาก็สามารถใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นก็สามารถเพิ่มภูมิให้เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นกว่าคนปกติสามัญทั่วไป กรณีเพื่อสังเกตหลักการในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้านําเรื่องราวต่างๆซึ่งบางครั้งก็น่าขยะกขยแยงบางครั้งก็น่าหวาดกลัวจะนํามาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์จึงการเรียนรู้ความจริงของชีวิตจากซากศพจากโครงกระดูกจากเศษชิ้นกระดูกต่างๆเป็นตน้นแต่พระพุทธเจ้านํามาสอนให้บุคคลสำเนีกศึกษา ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจของบุคคลให้เข้าถึงความจริงแห่งชีวิตได้โดยดําดับและยิ่งสิ่งที่ดีๆแล้วก็จะส่งสอนในแนวเพิ่มพูนให้บุคคลได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากความดีเหล่านั้นคุณธรรมทั้ง5ประการนี้ส่งเรียกว่าเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาหมายความว่าด้วยอัตภาพร่างกายที่เป็นมนุษย์นี้เอง จะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามมีฐานะมีอาชีพยอย่างไรก็ตามแต่โดยพื้นฐานทางใจเป็นภาวะที่ประเสริฐเป็นภาวะที่มีความประณีตบริสุทธิ์สะอาดอย่างน้อยก็กว่าสามัญชนทั่ ว, วไปและคุณธรรมที่แม้จะทรงจบแนกแสดงออกไปถึง5ประการก็ตามแต่ตัวการใหญ่ก็คงอยู่ที่สัตว์อยู่ที่ปัญญากับศรัทธานั่นเอง เพราะว่าบุคคลเมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็จะสามารถมองเห็นโทษของการไม่มีศีลมองเห็นคุณของการมีศีลมองเห็นโทษของความไม่รู้มองเห็นคุณของความรู้มองเห็นโทษของการไม่เสียสละมองเห็นคุณของการเสียสละได้ในชั้นหนึ่งอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าในชั้นหนึ่งอาศัยการสัมผัตยจงด้วยตัวของตัวเอง เพรนี้อย่างเช่นที่ท่านสีหเสนาวดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงอานิสงค์ของทานเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอานิสงค์ของทานไว้6ประการคือผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายสัตว์บุรุษย่อมเคหาสมาคมกับผู้ให้ทานคุณธรุณของผู้ให้ทานย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคค ล, ลทั่วไปจะจะฟุง้งกระจายไปในส่วนต่างๆของสังคมนั้นๆ ผู้ยทานจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญไม่ข้านค้ามควาเกรงในสมาคมต่างๆไม่หลงทํากาลกิริยาตายและตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุคติในสข้อแรกท่านสีหเสนาบดีได้กล่าบทูลว่าท่านไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะท่านสัมผัสผ ล, ผลเหล่านั้นได้ได้วยตนเองแล้วแต่สองข้อหลังคือไม่หลงตายกับตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคตินั้น ข้าพระองค์ขอเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ดสัตรุแต่รู้เห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะการสัมผัสผลแห่งธรรมะของผู้ปฏิบัติธรรมผู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือส่วนหนึ่งจะสัมผัสได้ด้วยใจของตัวเองแต่ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปสติปัญญายังเข้าไปไม่ถึงบุคคลก็อาศัยศรัทธาคือความเชื่อมั่น ในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและลงมือประพฤติปฏิบัติไปแม้จะสัมผัสผ ล, ผลไม่ได้ในขณะนั้นก็ตามแต่ก็มีความเชื่ อ, อมั่นว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดผลเมื่อปฏิบั ต, ติเหตุคือสร้างเหตุประกอบเหตุกระทําเหตุให้มีความสมบูรณ์แล้วผลจะเกิดขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ โดยหลักการเหล่านี้บุคคลก็สามารถเป็นเทพได้ด้วยอัตภาพชีวิตร่างกายในปัจจุบันนั่นเองและสามารถจะเป็นได้ในแต่ละขณะของความคิดโดยทั่ไปตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป